สีจตุกะนิเทศ937บรรดาจตุกะมาติกาเหล่านั้นอาสวัตสี่เป็นฉไหนอาสวัตี่คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามสองพวาสวะอาสวะคือพบสทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิสีอวิชชาสวะอาสวะคือ อวิชชาปันดาอาสวะสี่นั้นกามาสวะเป็นไนะความพอใจในกามความหมกมุ่นในกามนี้เรียกว่ากามาสวะภวาสวะเป็นไนะความพอใจในภพความหมกมุ่นในภพนี้เรียกว่าภวาสวะทิฏฐาสวะเป็นไนะความเห็นว่าโลกเที่ยง หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่วนว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐานสวะสิิฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐานสวะอวิชชาสวะเป็นไงความไม่รู้ในทุกข์ลิมคืออวิชชา อากุตลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาสวะเหล่านี้ชื่อว่าอาสวะสี938คันธาสีเป็นฉไหนคันธาสีคือ 1. อภิชากายคันธะ 2. พยาปาทกายคันธะ 3. สีรพัตต์ปรามาสกายคันธะ สี่อิธังสัจจาพินิเวสกายคันทะบรรดาคันทะสี่นั้นอภิชากายคันทะเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความเพ่งเล็งอกุสลมูลคือโลภะนี้เรียกว่าอภิชากายคันทะพยาปาทกายคันทะเป็นไนความมาคาดเกิดขึ้นว่า ผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่เราความดุร้ายความเกลียดกราดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าพยาปาทกายคันทะสีลพตปารามาสกายคันทะเป็นฉไนสมณพราหมายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีล ด้วยรสด้วยศีแลพรสดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีลพตะปรามาสกายคันทะอีทางสัจจาปนิเวสกายคันทะเป็นไฉนความเห็นว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าหรือโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริง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 เว้นสีลพะตะปารามาสกายคันทะแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าอิทังสัจจาปินิเวสกายคันทะเหล่านี้ชื่อว่าคันทะสี่โอคัสสีโยคัสสีอุปาทานสี่เป็นฉไนอุปาทานสี่คือหนึ่งกามุปาทานความถือมั่นกาม 2ทิฏฐุปาทานความถือมั่นทิฏฐิ 3. าสีลับพาตุปาทานความถือมั่นศีลพรษ 4. อั ต, ตาวาทุปาทานความถือมั่นวาทะว่ามีตัวตนบรรดาอุปาทานสี่เหล่านั้นกามุปาทานเป็นไนความพอใจในกามความหมกมุ่นในกาม นี้เรียกว่ากามุปาทานทิฏฐุปาทานเป็นชไหนความเห็นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงแจ้งประจักษ์โลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ไม่มีอยู่ในโลกดังนี้ทิฏฐิ ความเห็นผิดความยึดโดยวิปปลาดมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานเวน้นศีลับพรตุปาทานและอัตตวาทุปาทานแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐุปาทานศีลับพรตุปาทานเป็นฉไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่า ความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปรสามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสีลับพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นไนปุถุชนในโลกนี้ผู้มีสุตะน้อยไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุรุษย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตน เห็นสังขารเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตนหรือย่อมพิจารณาเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปลาตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอั ต, ตวาทุปาทานเหล่านี้ชื่อว่าอุปาทานสี่ เก้า้ตันหุปาทานเป็นชไหนะตัณหาเมื่อกเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุเพราะบินธบาตเป็นเหตุเพราะเสนาสนะเป็นเหตุหรือเพราะขีฬานปัจจัยอันมีน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นที่ประณีตและประณีตยิ่งด้วยประการชนีดเป็นเหตุ เหล่านี้เรียกว่าตันหุ ป, ปาทานอคติคมณะสี่เป็นฉไนบุคคลย่อมถึงความลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะเกลียดชังเพราะเขาเพราะกลัวความลำเอียงการถึงความลำเอียงการลำเอียงเพราะรักใคร่กันความลำเอียงเพราะเป็นพักพวกกันความหันเหไปเหมือนน้ำไหลมีลักษณะ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 นี้ชื่อว่าวิปปลิเยสสีอน า, นนนอนา ร, ริยะโวหารสเป็นฉไนอนาริยะโวหารสคือหนึ่งเรื่องที่ไม่เห็นพูดว่าเห็น 2. เรื่องที่ไม่ได้ยินพูดว่าได้ยิน 3. เรื่องที่ไม่รู้พูดว่ารู้ 4. เรื่องที่ไม่รู้แจ้งพูดว่ารู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่าอนา ร, ริยะโวหารสี่ อนัริยะโวหารสี่อีกในหนึ่งเป็นไฉหนอนัริยโวหารสอีกในหนึ่งคือ 1. เรื่องที่เห็นพูดว่าไม่เห็น 2. เรื่องที่ได้ยินพูดว่าไม่ได้ยิน 3. เรื่องที่รู้พูดว่าไม่รู้ 4. เรื่องที่รู้แจ้งพูดว่าไม่รู้แจ้งเหล่านี้เรียกว่าอนัริยะโวหารสี่ ทุจริตสี่เป็นฉไนทุจริตสีคือ 1. ปานาติบาตฆ่าสัตว์สองอธินาทานลักทรัพย์ 3. กามเอสุมิชฉาจาร์ประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวะพูดเท็จเหล่านี้เรียกว่าทุจริตสีทุจริตสีอีกในหนึ่งเป็นฉไนทุจริตสีอีกในหนึ่งคือ 1. มุสาวะพูดเท็จสองปิสุณวาจาพูดส่อเสียด 3. พรุสวาจาพูดคำหยาบ 4. ส, สัมผับปราปะพูดเพ้อเจอ้อเหล่านี้เรียกว่าทุจริตสี่ภัยสี่เป็นฉไนภัยสี่คือหนึ่งชาติภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยชาติ สองชราภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยชราสามพยาธิภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยพยาธิสี่มรณะภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยความตายเหล่านี้เรียกว่าภัยสี่ภัยสี่ในหนึ่งเป็นฉไนภัยสี่คือหนึ่งราชภัยภัยเกิดแต่พระราชาสองโจรภัย ภัยเกิดแต่โจร 3. อักคิภัยภัยเกิดแต่ไฟ 4. อุทกภัยภัยเกิดแต่น้ําท่วมเหล่านี้เรียกว่าภัยส่ภัยสี่อีกในหนึ่งเป็นไงภัยสี่คือ1ภูมิภัยภัยเกิดแต่คลื่น 2. กุมภีระภัยภัยเกิดแต่จระเข้สาอวัตตะภัย ภัยเกิดแต่น้ำบนสีสุสุสกาภัยภัยเกิดแต่ปลาร้ายเหล่านี้เรียกว่าภัยสี่ภัยสี่อีกในหนึ่งเป็นฉไนภัยสีคือหนึ่งอัตตานุวาตาภัยภัยเกิดจากการติเตียนตนเองสองป ร, รานุวาตาภัย ภัยเกิดจากการถูกผู้อื่นติเตียน 3. ทันทภัยภัยเกิดจากการถูกลงอายาสทุกขติภัยภัยเกิดจากทุกขติเหล่านี้เรียกว่าภัยสี่ทิศที่สี่เป็นฉนยัยความเห็นเกิดขึ้นโดยจริงแท้มั่นคงว่าสุขทุกขตนทําขึ้นเอง และสุขทุกคนอื่นทำให้ความเห็นเกิดขึ้นโดยจริงแท้มั่นคงว่าสุขทุกเป็นสิ่งที่ตนทำขึ้นเองและผู้อื่นทำให้สุขทุกไม่ใช่ตนเองและผู้อื่นทำให้แต่เกิดเองโดยเฉพาะเหล่านี้ชื่อว่าทิฏฐีจตุกะนิเทศจบห ปัญจกานิเทศ940บรรดาปัญจกมาติกานั้นโอรัมพาคิยสังโยชน์ห้าเป็นฉะไหนโอรัมพาคิยสังโยชน์ห้าคือ 1. นส ก, กายทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นของตน 2. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่ใจ 3. สีรับพัตปรามาก ความยึดมั่นศีลและพรน 4. กามฉันทะความกำหนัดในกามคุณ 5. พยาบาทความขัดเคืองแค้นใจเหล่านี้ชื่อว่าโอรัมพาคิยสังโยชน้าอุท ธ, ธ ร, รมพาคิยสังโยชน้าเป็นไนอุทธามพาคิยสังโยชน้าคือ 1. รูปราคะ ความกำหนัดในรูป 2. อ, อรูปราคะความกำหนัดในอรูปสา ม, มานะความเย่อหยิ่งถือตัว 4. อุทธจักความฟุ้งซ่าน 5. อวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงเหล่านี้ชื่อว่าอุทธภพคียสังโยชน์ห้มัจฉริยะห้าเป็นไนมัจฉริยะห้าคือหนึ่ง อาวาสมาติริยาตรรนีที่อยู่สองกุลมัติริยาตรรนีตรกูล 3. ลาภมัติริยะตรรนีลาภ 4. ี่วัณมัติริยะตรรนีวัณนะ 5. าธรรมมัติริยาตรรนีธรรมเหล่านี้เรียกว่ามัจจริยาห้า สังฆาหเป็นฉไนสังฆะหคือ1สังฆะคือราคะเครื่องข้องคือราคะ 2. สังฆะคือโทสะเครื่องข้องคือโทสะ 3. สังฆาคือโมหะเครื่องข้องคือโมหะ 4. สังฆาคือมานะเครื่องข้องคือมานะ 5. สังฆาทิฏฐิเครื่องข้องคือทิฏฐิเหล่านี้ชื่อว่าสังฆะหห้า สัญลักหเป็นฉไนสัญลักหคือ 1. สัญลัคือราคะลูกศรคือราคะ 2. สัญลัคือโทสะลูกศรคือโทสะ 3. สัญลัคือโมหะลูกศรคือโมหะ 4. สัญลัคือมานะลูกศรคือมานะ 5. สัญลัคือทิฐิลูกศรคือทิฐิ เหล่านี้ชื่อว่าสันละหา9าเอเจโตขีละหเป็นฉนยัยเจโตขีละหคือ 1. บุคคลย่อมเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดา 2. บุคคลย่อมเครือบแคงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรม 3. บุคคลย่อมเครือบแคงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ 4. บุคคลย่อมเครือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศิกขา 5. บุคคลย่อมมีจิตคุนเคืองไม่พอใจมีจิตกระทบกระทั่งมีจิตกระด้างในเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเจโตขีละห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 ยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความอยากในรูป 4. บุคคลบริโภคอาหารเต็มท้องตามความต้องการแล้วประกอบขวนขวายหาสุขในการนอนสุขในการเอนสุขในการหลับอยู่ 5. บุคคลปรารถนาจะเกิดในหมู่เทพหมู่หนึ่ง แล้วประพติพรหมจันทร์ด้วยผูกใจว่าเราจักเป็นเทวดาผู้มีจักย์ใหญ่หรือเทวดาผู้มีจักน้อยองใดองหนึ่งด้วยศีลนี้ด้วยวัดนี้ด้วยตะบะนี้หรือด้วยพรหมจันทร์นี้เหล่านี้ชื่อว่าเจตโสวินิพันธะห้นิวรห้าเป็นฉไนนิวรห้าคือหนึ่ง กามาฉันทะนิวรนทำเป็นเครื the well. ่องกั้นความดีคือกามฉันทะสอพยาปาทนิวรนทำเป็นเครื่องกั้นความดีคือพยาบาท 3. ถีนมิธธนิวรความเป็นเครื่องกั้นความดีคือถีนมิธะสอุทธจักุกุจจนิวรนทำเป็นเครื่องกั้นความดีคืออุทธจักุกุจจะ หวิจิกิจฉานิวรณ์ทำเป็นเครื่องกัน้นความดีคือวิจิกิจฉาเหล่านี้ชื่อว่านิวรณ์อนันตรียกรรม5เป็นฉไนะอนันตรียกรรม5คือ 1. มาตุคาาฆ่ามารดา 2. ปิดตุคาาฆ่าบิดา 3. าอรหันตตะคาา ฆ่าพระอาหารหันต์สโลหิตตุปะบาทมีจิตประทุษร้ายทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อด้วยจิตคิดร้ายหสังฆเภททำลายสงให้แตกกันเหล่านี้ชื่อว่าอนันตริยกรรมหทิฏฐิห้าเป็นฉะไหนทิฏฐิห้าคือ หสมณนะหรือพรามพวกหนึ่งกล่าวยืนยันดังนี้ว่าอัตตามีสัญญาหลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยงสสมณนะหรือพรามพวกหนึ่งกล่าวยืนยันดังนี้ว่าอัตตาไม่มีสัญญาหลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยงสามสมณะหรือพรามพวกหนึ่ง กล่าวยืนยันดังนี้ว่าอัตตามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่หลังจากตายแล้วเป็นสภาวะที่เที่ยง 4. สมณะหรือพราหมพวกหนึ่งย่อบัญญัติความขาดศูนความไม่ปรากฏความไม่มีแห่งสัตว์ที่ยังปรากฏมีอยู่ 5. สมณะหรือพราหมพวกหนึ่งกล่าวยืนยันนิพพานในปัจจุบัน เหล่านี้เรียกว่าทิฏฐิห942เวนห้าเป็นฉนเวนห้าคือ 1. ปานาติบาาสัตว์สองอธินาทานลักรัพย์ 3. กาเมสุมิชฉาจาร์ประพฤติผิดในกามสมุสาวาะพุดเทศห 5. สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐาน ดื่มน้ำเมาคือสูราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้ชื่อว่าเวนห้าพยัสนะห้าเป็นฉไนพยาสนะห้าคือหนึ่งยาติพยาสนะความพินาศแห่งยาสองโภคพยาสนะความพินาศแห่งโภคทบซับสามโรคพยาสนะ ความพิรุษเพราะโรค 4. ศีรพยาศนะความพิรุษแห่งศีล 5. ทิฏฐิพยาศนะความพิรุษแห่งทิฏฐิเหล่านี้ชื่อว่าพยาศน่าหโทษแห่งความไม่อดทนหเป็นไนโทษแห่งความไม่อดทนหคือ 1. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของชนมาก 2. มีเวรมาก 3. ม, มีโทษมาก 4. หลงลืมสติตาย 5. ห, หลังจากตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุ ก, กติวินิบาตนารกเหล่านี้ชื่อว่าโทษแห่งความไม่อดทน 5. ้าภัยห้าเป็นฉไหนภัยห้าคือ 1. อาชีวกับภยัย ภัยเกิดแต่การเลี้ยงชีพ 2. องสิโลกับภัยภัยเกิดแต่การตีเตียน 3. ปริสารัชชภัยภัยคือความขาดกลัวเมื่อเข้าสู่ที่ประชุม 4. มรณะภัยภัยเกิดแก่มรณะ 5. ทุกติภัยภัยเกิดแต่ทุกติ เหล่านี้ชื่อว่าไั่ห943ยทิฏฐธรรมะนิพพานวาทห้า 5. เป็นฉไนทิฏฐธรรมะนิพพานวาทห้า 5. คือหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ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 อัตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตานี้ไม่ใช่บรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมเพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะกรารมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเพราะกรารมเหล่านั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์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 พระวิตกระวิจารสงบไปแล้วอัตตนี้จึงบรรลุทุติยฌานที่ผ่องใสจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพรามพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้สสมณะหรือพรามอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามนั้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ท่านกล่าวถึงนี้มีอยู่จริง เราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตานี้ไม่ใช่บรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไพระปีติและความลำพองใจที่มีอยู่ในทุติยชานั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะปีติจางคายไปอัตานี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตานี้จึงชื่อว่าบรลุนิพพานในปัจจุบัน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 แต่อัตานี้ไม่ใช่บรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรพราะจิตยังคำนึงถึงสุขมีอยู่ในตติยชานั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ละสุขและทุกข์เสียได้อัตานี้จึงบรลุจตุทชาณที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล อัตตนี้จึงชื่อว่าบรลุนิพพาในปัจจุบันเป็นบรมธรรมสมณะหรือพรามพวกหนึ่งบัญญัตินิพพาในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้เหล่านี้เรียกว่าทิฏฐ ธ, ธรรมะนิพพานวาท้าหปัญจกะนิเทศจบ 6. ช ก, กนิเทศ944บรรดาชักกะมาติกาเหล่านั้นวิวาทมูล6เป็นฉไนวิวาทมูล6คือ 1. โกทะโกโรธ 2. มักขะลบปลูคุณท่าน 3. อิศสาริศยา 4. สาเถยะโออวด 5. ปาปิ ช, ชาตา ปรารถนาลามก 6. สันทิฏฐิปรมาสิตายึดถือแต่ความเห็นของตนเหล่านี้ชื่อว่าวิวาทมูลหกฉันทราคะเคหสิตธรรมหกเป็นไนฉันทราคะเคหสิตธรรม6คือ 1. นความกำหนัดความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่อาศัยกามคุณในรูปที่น่าชอบใจ 2. ความกำหนัดในเสียงที่น่าชอบใจ 3. ความกำหนัดในกลิ่นที่น่าชอบใจ 4. ความกำหนัดในรสที่น่าชอบใจ 5. ความกำหนัดในโผฏพัท์ที่น่าชอบใจ 6. ความกำหนัดความกำหนัดนัก ความกำหนัดนักแห่งจิตที่อาศัยกามาคุณในธรรมารมที่น่าชอบใจเหล่านี้เรียกว่าฉันทราคะเเคหะสิทธรรมหกวิโรธวัตถุหกเป็นฉไนวิโรธวัตถุหกคือ 1. ความอาฆาตความกระทบแห่งจิตความดุร้ายความเกรียวกราด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 ความเกรียวกราดความที่จิตไม่เบิกปาในธรรมารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเหล่านี้เรียกว่าวิวโรธวัตถุหกตัณหากายหกเป็นไนะตัณหากายหกคือ 1. รูปตัณหาตัณหาในรูป 2. สัทธาตัณหาตัณหาในเสียง 3. คันทตันหาตันหาในกลิ่นสี่รถตันหาตันหาในรถห้าโพธะพระตันหาตันหาในโพพะ6ธรรมตันหาตันหาในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าตันหากายหก4 5อหอคารวะหกเป็นฉไนอคารวะหกคือหนึ่งบุคคลไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระศาสดา 2. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรม 3. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ 4. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในศิกขา 5. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในความไม่ประมาท 6. บุคคลไม่เคารพไม่ยำเกรงในปฏิสนาิ เหล่านี้ชื่อว่าอักคาระวะหกปริหานิยธรรมหกเป็นฉไนปริหานิยธรรมหคือ 1. กัมมารามตาความยินดีในการงาน 2. ภัศสารามตาความยินดีในการสนทนา 3. นิทารามตา ความยินดีในการนอนหลับสี่สังคณิการามตาความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูห้าสังสักคารามตาความยินดีในการติดต่อเกี่ยวข้องหกปปัญจารามตาความยินดีในธรรมเป็นเหตุเนื่นช้าเหล่านี้ชื่อว่าปริหานิยธรรมหก 946. ปริหานิยธรรม6อีกในหนึ่งเป็นฉไนะปริหานิยธรรมหกอีกในหนึ่งคือ 1. กัมมารามตาความยินดีในการทำงาน 2. ภพัศสารามตาความยินดีในการพูดคุย 3. นิธารามตาความยินดีในการนอนหลับ 4. สังคนิการามตา ความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. โทวจัตสตาความเป็นผู้วาญาหปาปมิตตาตาความเป็นผู้มีมิตรชั่วเหล่านี้ชื่อว่าปริหานิยธรรมหกโสมนัสสุปวิจารนหกเป็นฉไนโสมนัสสุปวิจารนคือหนึ่ง บุคคลเห็นรูปทางตาแล้วครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสสองบุคคลฟังเสียงทางหูสามบุคคลดมกลิ่นทางจมูกสี่บุคคลลิ้มรสทางลิ้นห้าบุคคลถูกต้องโพธิภพทางกาย บุคคลรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วครุ่นคิดถึงธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตเหล่านี้ชื่อว่าโสมณัต ส, สุปวิจารห6โทมนัต ส, สุปวิจารหกเป็นฉไหนโทมนัต ส, สุปวิจารหกคือ 1. บุคคลเห็นรูปทางตาแล้วครุ่นคิดถึงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัต ส, สอ บุคคลฟังเสียงทางหู 3. บุคคลดมกลิ่นทางจมูก 4. บุคคลลิ้มรสทางลิ้น 5. บุคคลถูกต้องโ ภ, ภทพะทางกายหบุคคลรู้ธรรมารมทางใจแล้วครุ่นคิดถึงธรมรมารมันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนต์เหล่านี้ชื่อว่าโทมนัสุ ป, ปวิจารหกอุเปกขูปวิจารหกเป็นฉไน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 ความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกลิยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกรรมคุณในรูปอันเป็นที่ชอบใจสองความสำราญทางใจในเสียงอันเป็นที่ชอบใจสามความสำราญทางใจในกลิ่นอันเป็นที่ชอบใจ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 ในธรรมอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจเหล่านี้ชื่อว่าเขหัสิตะโสมนัสหกเขหัสิตะโทมนัสหกเป็นฉไนเหสิตะโทมนัสหกคือ 1. นความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความสเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส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 ในธรรมารมันไม่เป็นที่ชอบใจเหล่านี้ชื่อว่าเคหัิตะโทมนัทหกเคหัศิตุเปขาหกเป็นชไหนเคหัสิตุเปขาป ห, คหากาคือหนึ่งความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็มิใช่ความเสเวย อ, อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสบยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่อาศัยกามาคุณในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งเบกขา 2. ความสำราญทางใจก็มิใช่ในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งเบกขา 3. ความสำราญทางใจก็มิใช่ในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งเบกขา 4. ความสำราญทางใจก็มีใช่ในรถอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 5. ความสำราญทางใจก็มีใช่ในโพธพภะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 6. ความสำราญทางใจก็มีใช่ความไม่สำราญทางใจก็มีใช ah ่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ท enfin <me> ุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส ที่อาศัยกามคุณในธรรมารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเหล่านี้ชื่อว่าเคหสิตุเปกขาหก4 8ทิศที่หกเป็นฉนะไหนทิศที่หกคือ 1. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ 2. ความเห็นเกิดข hm ึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตาคือความมีตัวตน 4. ความเห็นเกิดขึ้นแก่ผู้นี้โดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอนัตตาความไม่มีตัวตน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 สัตกาณิเทศ949บรรดาสัตตกรรมติกาเหล่านั้นอนุสัยเจเป็นฉไนอนุสัยเจคือ 1. กามราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือกามาราคะ 2. ปฏิคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือปฏิคะ 3. มานานุสัยก pues ิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือมานะสทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือวิจิกิจฉาหภวะราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือภวะราคะ อวิชชานุยัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าอนุใสยยเจ็สังโยชน์เเป็นฉไหนสังโยชน์เคือ 1. กามราคะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือกามราคะ 2. ปฏิฆะสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพคือปฏิฆะ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 เอวิชชาสังโยชคกิเลสเครื่องประกอบจัดไว้ในภพคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าสังโยชนจ็ด 7. ปริยุทธฐานะ7เป็นฉไฉนปริยุทธฐานะเจคือ 1. กามปริยุทธฐานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือกาม 2. ปฏิฆะปริยุทธฐานะ กิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือปฏิคะสามมานะปริยุทธฐานะกิเลสนะนะเป็นเครื่องครอบงำจิตคือมานะ 4. ทิฏฐิปริยุทธฐานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉาปริยุทธฐานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือวิจิกิจฉา 6. ภวราคะปริยุทธฐานะ กิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคือภวะราคะ7อวิชชาปริยุท ธ, ธานะกิเลสเป็นเครื่องครอบงำจิตคืออวิชชาเหล่านี้ชื่อว่าปริยุท ธ, ธานะเจ็ดเกรอยห้าสบอสัตรธรรมเจ็ดเป็นฉนะัยอสัตธรรมเจ็ดคือหนึ่งเป็นผู้ไม่มีศรัทธา สองไม่มีหีบริสามไม่มีโอต ป, ปะสี่มีสุตะน้อยห้าเกียดตคร้านหกหลงเลิมสติเจด็ดมีปัญญาสามเหล่านี้ชื่อว่าอสัตธรรมเจ็ดทุจริตเจ็ดเป็นไนะทุจริตเจ็ดคือหนึ่งปานาติบาฆ่าสัต 2. อ, อธินาทานลักรัพย์ 3. กาเมสุมิชชาจาร์ประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาพูดเท็จ 5. ปิตุนาวาจาพูดจอเสียด 6. พรุสวาจาพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปะพูดเพิเจอร์เหล่านี้ชื่อว่าทุจริตเจ็ มานะเจ็เป็นฉไนมานะเจ็คือ 1. มานะความถือตัว 2. องอติมานะความถือตัวจัด 3. มานาติมานะความเ ย, ยื่ยยิง 4. โอมานะความดูหมิ่นตนเอง 5. อ้าอธิมานะความสําคัญว่าได้บรรลุหกอจสมิมานะ ความสำคัญว่ามีตัวตน 7. มิจฉามานะความถือตัวผิดเหล่านี้ชื่อว่ามาณเจ 951. ห้าอทิฏฐิเจ็ดเป็นฉไนทิฏฐิเจ็ดคือหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญเพราะอัตตนี้มีรูปสําเร็จมาจากมหาภูต ร, รูปสี่เกิดจากบิดามารดาหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนพินาศไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้อัตตนี้จึงขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนความพินาศและความไม่เกิดขึ้นอีกของสัตว์อย่างนี้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 ท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นเพราะอัตานั้นแหลหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้แหลอัตตนี้จึงขาดศูนยเดิ่สิ้นเชิงสมณะหรือพรามพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ส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 เพราะร่วงรูปปัสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานตัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เห็นเพราะอัตานั้นแหลหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาคไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้แลอัตตนี้จึงขาดศูนยโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพรามพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์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 ยังมีอัตตาอื่นที่เข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนาชาญเพราะล่วงอากินจัญญายตนาเสียได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เห็นเพราะอัตตานั้นแหละหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกเพราะเหตุเพียงเท่านี้แหละอัตตานี้จึงขาดศูนย์โดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญยัติความขาดศูนความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้เหล่านี้ชื่อว่าทิฏฐิเจตสัตตะนิเทศจบ